ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆ พอสบายบายทำแจงเราให้เบิกบานให้สดชื่นให้ได้กังวล น, นะจ๊ะแล้วก็ค่อยๆหยุดใจไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ซึงอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือหรือจำง่ายๆว่าอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะทําความรู้สึกวัาใจเราอยู่ตรงนั้น หรือไปรับรู้อยู่ที่ตรงนั้นที่เดียวอย่างเบาเบาสบายสบายคลายขนนกที่ค่อยๆล่องลอยแล้วก็ตกไปสมัมผัสที่แผ่นพื้นน้ำเรีย บ, ยบใจต้องนุ่มนวน ละมุนละไมยอย่างนั้นนะจ๊ะตรงนี้เป็นหลักสําคัญเดียวแหละถ้าทําเป็นเย่ใจก็จะรวมลงได้อย่างง่ายๆต้องค่อยๆประครับประครองใจเบาๆโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกรูปในตา ทำความรู้สึกนิดหนึ่งไปอยู่ในกลางท้องกลางกายของเราแล้วกันนึกว่าตัวของเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางของสรรพสัตว์และก็สรรพสิ่งทั้งหลายแล้วก็ น, นิ่งๆอย่างเดียวนะจ๊ะนิ่งอย่างสบาย จะนึกเป็นภาพองค์พระดวงแก้วช่วยให้ใจหยุดนิ่งในกลางตัวไปด้วยก็ได้ซึ่งการนึกถึงองค์พระดวงแก้วดวงใสๆพวกเพ็กพวกพลอยใสๆก็ไม่ได้ของยากอะไรให้นึกธรรมดา เมื่อเรานึกถึงดอกบัวดอกกุหลาบของที่เราคุ้นเคยขันล่างหนะ้าแปลงซีฟันยาซีฟันหรือของที่เรารักคนที่เรารักเห้นไม้มเจ้ามันก็ไม่ยากอะไรนึ ก, กคล้ายๆอย่างนั้นนึกถึงลูกปิงปองผลส้ม สมโอแตงโมมะพร้าวเห็นไหมจ๊ะนึกเรายังนึกได้เลยแต่ชัดหรือไม่ชัดนี่อีกเรื่องหนึง่งเอาว่านึกได้นะมันก็นึกอย่างนั้นนะนึกถึงองค์พระหรือดวงแก้วก็ใอยใช้วิธีนึกธรรมดาอย่างนั้นจะเป็นเน้นมากเกินไหม จะไปนเน้นนึกอย่างงั้นแหละแต่ให้ต่อเนื่องมันสำคัญตรงนี้ไอ้ที่สำคัญคือมันไม่ต่อเนื่องคือพอเราเนึกได้แป๊บเดียวก็ไปเรื่องอื่นอีกแล้วไปเรื่องที่เราคุ้นทีนี้จะทำอย่างไรเนี่ยจะให้นึกได้ต่อเนื่องก็ต้องเนึกบ่อยๆนั่นแหละ ทุกอย่างน่มันอยู่ที่การฝึกฝนการกระทำของเราไม่มีพรมาจากสวรรค์หรอกเทวดาล้านองค์จะให้สินให้พรว่าให้เรานึกได้นึกดวงนึกองค์พระได้ไม่สำเร็จเราจากถึงแม้ว่าเทวดาจะพร้อมใจกันทั้งสวรรค์อย่างนั้นเราขอใหเรานึกได้เขาก็าเด็ดแต่เป็นกองเชีย เหมือนกองเชียร์รอบสนามฟุตบอลเราจะเชียร์ให้เขาเตะเข้าโกะแค่ไห น, นก็แล้วแต่แต่จะเป็นดาวซันโวได้ก็ต้องอาศัยตัวเองฝึกฝนศึกษาเรียนรู้ทาบ่อยๆซ้ำๆภาษาบุรีกข้าใช้คำว่าพาวิตาพาหุลีกตาแปลว่าต้องบ่อยๆเนืองเนึง ทนานานทาทีเนี่ยมันก็นานานานนึกได้ทีหนึ่งถ้าทาทีและนึกต่อเนื่องนานนานมันก็นึกได้นานนานบ่อยๆซึ่งก็เป็นหลักธรรมดานะจ๊ะเพราะฉะนั้นมันอยู่ในวิสัยที่ไม่ง่ายไม่ยากยากพอสู้พอที่เราจะ ฝึกฝนและก็ง่ายพอที่เราจะเข้าถึงได้ไม่เหลือวิสัยฉะนั้นก็อยู่ที่การฝึกฝนนะลูกนะอากาศในฤดูนี้เนี่ยมันน่าจะร้อนแต่ก็ลมพัดเอ่ยให้เรามันสบายใจใคล้ายๆกับว่าจะเกื้อห น, นุนให้เราได้เข้าถึงธรรม ได้บุญที่เราได้สั่งสมเอาไว้จึงมันดานให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นไอ้กายเราสบายใจเราจะได้สงบแล้วก็ค่อยๆฝึกกันไปนะลูกนะฝึกไปเรื่อยๆอย่าไปท้อเพราะนี่คือกรณีอยากิจเป็นกิจที่เราต้องทำเป็นงานที่แท้จริง เป็นงานดีแท้จริงเสน่งงานอื่นยังไม่ใช่งานจริงแท้มันเป็นงานแค่ทำมาหากินในรับมาซื้ออาหารหวานข้าวปัจจัยสี่กม็มาจะหล่อเลี้ยงสังขารให้ดำรงชีวิตอยู่อยู่ก็เพื่อทำงานที่แท้จริงคือหยุดกัรนิ่งมีจาชา เพราะฉะนั้นตอนนี้ล้วก็วางใจอย่างสบายๆต้องให้ความสำคัญกับตรงนี้แลเจ้ะให้มากให้เห็นคุณค่าของการเกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อวัตถุประสงค์นี้ให้มากมากมากไปยังอื่นยังอื่นมันไม่ได้เลื่อนได้ลาอะไรแล้วมันก็ซ้ำซ้ำซัก เพราะฉะนั้นเน่ยเราก็ไม่ควรจะเป็นเหมือนคนเดิมทุกครั้งไปควรจะมีอะไรแปลกแตกต่างจากคนเดิมบ้างที่เคยทําเหมือนเหมือนชาวโลก ท, ทั่วไปนั่นแหละเราควรจะมีความแตกต่างบ้างโดยการมาทํางานดีแท้จริงนี่แหละมาฝึกให้มันหยุดให้มันนิ่งฝึกไปเรื่อย ทำใจให้มันสบายๆ ส, สมมติว่าเราอดที่จะกังวลศูนย์กลางกายมากเกินไปไม่ได้คือพยายามอดแล้วมันก็อดไม่ได้มันอดที่จะกดไปลกเนตาลงไปดูไม่ได้เหมือนเหมือนเราเสพสัจสนติดนะเนี่ยเสพคุ้นคุ้นต่การกดลงในตาเนะี่ยแล้วก็กังวลศูนย์กลางกายมากเกินไปอดไม่ได้ กายทาอย่างนี้ทําสมมุติว่าศูนย์กลางกายนี่ขยายออกไปนะลูกนะขยายไปสุดขอบภกขอบฟ้านะ่ะฟ้าที่ครอบเราเราเหมือนเราเข้าไปนั่งอยู่ตรงกลางละเป็นก้อนเพชรใสๆคือกายเราเนี่ยเหมือนเป็นเพชรใสๆนิ่งเฉยอย่างเดียวอย่างนี้ก็ได้เหมือนกัน นิ่งๆใจมันสบายที่ไหนแล้วก็เอาตรงนั้นเพราะตอนนี้เราขยายสู์กลางกายไปแล้วไปสุดขอบฟ้าแล้วหน้าที่เราตอนนี้คือ น, นิ่งอย่างเดียวเดินไปคำนึงว่าจะเห็นอะไรหรือไม่เห็นเห็นไม่เห็นก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรทำใจนิ่งเฉยๆทำตรงนี้ให้ได้ะะก่อน ทำ ต, ตรงนี้ให้นิ่งอย่างสบายนิ่งนิ่งนุง่มนมละมุนละไมให้ใจใสใสเฉ ย, ยๆอย่างเนี้ยอย่างนี้ไปก่อนจะค่อยๆปรับไปสู่ภาวะที่ละเอียดเพิ่มขึ้นคือเราจะไม่คอรู้สึกว่ามันเริ่มโล่ง เริ่มโปร่งเริ่มเบาสบายตัวขยายบ้างหายไปบ้างหรือหล่นจากที่สูงลงไปบ้างมันวึดลงไหมมันจะหล่นยังไงก็จะไปฝืนจับยั้งมันนะจ๊ะอย่าไปตกอกตกใจอย่าไปฝืนหิ้วกับว่าขึ้นมาใหม่ไม่ต้อง มันอาจจะมีความรู้สึกเสียวๆนิดๆแต่ก็ไม่ถึงกับหวาดเสียวมันแค่เสียวนิดๆเหมือนเราขึ้นรถเร็วๆนั่งรถเร็วๆขึ้นสะพานแล้วมันวุดลงไปไงหรือคล้ายกับว่าเราโดดน้ามันว้ดลงไปหรือคล้ายขึ้นเครื่องแล้วเปิดประตูเครืบินแลว้ววูกลงมา โดยไม่มีล่มกลางอย่างนั้นเวิดมันก็เสียวบ้างนิดหน่อยเราก็ต้องย่อให้มันเสียวโดยเฉยเฉยหยุดนิ่งเฉยเฉยเดี๋ยวจะมีรางวัลสําหรับคนที่หยุดนิ่งเฉยเฉยได้ซึ่งรางวัลนี้เนี่ยเราจะลืมไม่ลงเลยคงไม่ลืมปลืงไม่ทุกชาติ ที่จะเป็นรางวัลให้กับเราจากการที่หยุดนิ่งเฉยเ ฉ, ฉสยสบายๆต้องทำอย่างนี้นะลูกนะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวใจมันก็จะค่อยๆเบาสบายเริ่มบริสุทธิ์เมื่อเราหยุดคิดเรื่องอะไรต่างๆเหล่านั้น จะไปสู่ภาวะแห่งการไม่คิดซึ่งเราไม่คุ้นแต่ว่าสถานที่นั้นมีจริงเป็นที่ปลอดความคิดปลอดความกังวลปลอดภัยทั้งปวงปลอดเวรนปลอดภัยเป็นแหล่งที่มีแต่พลังแห่งความบริสุทธ ซึ่งจะเป็นต้นกำเนิดของ ค, ความคิดที่ดีพูดดีทำดีมีวิบากที่ดี่ะต้องทำอย่างนี้ให้นิ่งใช้สบายเพระเาะฉะนั้นถ้าจะนึกถึงดวงก็ดวงใสๆสใสสบาย องพระก็ใส่ใสสบายนี่ถ้าเราจะนึกเป็นภาพนะจ๊ะแต่ไม่นึกเป็นภาพก็นิ่งนุ่มละมุนละไมสบายสบายทานอย่างนี้นั่งแล้วไม่ปวดหัวไม่ตึงไม่กรง l e ไม่เครียดแล้เราก็จะคทอยค่อยไปสัมผัสแหล่งแห่งความสุขที่เกิดจากสมาธิ ตึ้นแตกต่างจากความสุขทั่วๆไปที่เราเคยเข้าใจว่ามันเป็นความสุขดูหนังดูละครดูทีวีการลเล่นการเที่ยวเตรได้พูดได้คุยกับคนที่ถูกอกถูกใจรู้ใจได้อ่านหนังสือดีๆอะไรต่างๆเหล่านั้นหรือได้ดูแหวนเพชรดูเพชรดูพลอยอะไร เลานั้นมันก็ปลื้มนิดๆปลื้มเล็กๆแต่ได่ปลื้มใหญ่ปลื้มอลังการเดียวถ้าเราเข้าไปสัมผัสแหล่งแห่งความบริสุทธิ์ของใจแล้วมันจะมีข้อสังเกตว่าเออใจยิ่งบริสุทธิ์คือส ง, งัดจากกามและอกุศลธรรมบาปทั้งปวงนั้น เพราะกสใจนี่มันมีคุณภาพมันมีความสุขมันเบิกบานมันแจ้มชื่อเวลาสังัดจากสิ่งเหล่านั้นนะจะคือไม่ให้มีสิ่งเหล่านั้นมากวนใจเลยเนี่ยมันจะนิ่งนุ่มเบาสบายเบิกบานอยู่คนเดียวก็นั่งยิ้มได้ ที่สดใสและความสดใสภายในมันจะขยายออกมาสู่ระบบประสาทกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายมันขยายออกมาทำให้ผิวพรรณน่นนะทองใสเหมือนดอกไม้ที่สดใสก็แปละวะ่าน้ำหล่อเลี้ยงข้างในเนี่ยมันดีจึงทำให้ ดอกไม้สดใสใบไม้เขียวเฉอุ่มอะไรอย่างนงินกายมนุษย์ก็คล้ายๆอย่างนั้นแต่ใจมันใสๆกายมันก็จะใสาตามไปด้วยเียถ้าสังกัดจากสิ่งเหล่านั้นซึ่งมันขึ้นอยู่กับการฝึกฝนกันไปทุกวันนะลูกนะเราก็ค่อย ไปค่อยฝึกไปเราไม่คนเก่งนะเราจะเอาความเก่งน่ามาใช้อย่างนี้ไม่ได้ฝึกแบบนักเรียนอนุบาลนั่นแหละค่อยๆสั่งสมความส ง, งัดจากกามจากอากุศลธรรมจากบาปทั้งปวงด้วยการทำใจนิ่งๆอย่างนี้แหละ นุม่มละมุน ล, ละไมสบายสบายไม่ต้องคิดอะไรเลยเนะฉยเฉยสุขอย่างนี้แหละที่มนุษย์ไม่ค่อยเข้าใจเพราะเขาไม่ให้โอกาสตัวเองมาศึกษามาเรียนมาฝึกฝนแต่ว่าไปสนใจเรื่องอื่นที่เขาโหมกระหนำ่ำ โฆษณาประชาสัมพันธ์กันไปอย่างนั้นตามสื่อต่างๆเรามันมีเชื้ออยู่แล้วมันก็มีอายตนะแหลนไปรับสิ่งเหล่านั้นนด้เพราะฉะนั้นใจมันก็จะถูกหล่อหลอมให้นึกคิดพูดทำในสิ่งที่เขาอยากจะให้ทำํำอย่างมนุษย์ผู้ผลิตรายการทําให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาน กายาบเขาก็เหมือนหุ่นเนะเหมือนเราอย่างเงี้ยเขามีความคิดคำพูดและก็การกระทำแต่แหล่งที่มาของความคิดของเขาตรงนั้นมันไม่บริสุทธิ์มันไม่บริสุทธิมม์มันกระตุ้นในคิดอยู่เรื่อยมันดำมืดเลยแล้วก็กำบังคับไปคิดพูดทาแล้วก็ให้พล ให้เพลินกับการนึกคิดเหล่านั้นและให้เข้าใจผิดว่าเป็นความสุขแถมีเครื่องล่อคือได้ทรัพย์มาด้วยได้รับการยกย่องชื่นชมสรรเสริญไปด้วยพอเกิดความเข้าใจผิดอย่างนั้นและก็เพลินในสิ่งเหล่านี้มันก็ทำต่อเนื่องกันไปโดยขาดความรับผิดชอบต่อเพื่อนมนุษย์ ต่อสังคมว่าสิ่งที่ตัวคิดตัวพูดตัวทำนั้นนะมันจะมีผลต่อเพื่อนมนุษย์อย่างไรเราจะขยายไปสู่โลกอย่างไรเนี่ยไม่ได้คำนึงถึงก็จะไปคำนึงถึงเม็ดเงินมึงการยกย่องการยืนจมการสรรเสริญกันไปมังโลกมันเป็นอย่างนี้นะลูกนะ เพราะฉะนั้นแหล่งที่มาของความคิดตรงนั้นมันไม่บริสุทธิ์จริงกระตุ้นให้คิดไม่บริสุทธิ์พูดไม่บริสุทธิ์ทําให้บริสุทธิ์และตัวเองก็ไม่รู้ว่าไม่บริสุทธิ์ด้วยพอมันขยายออกมาสู่การกระทําหยาบๆมันก็ปล่อยไม่บริสุทธิ์พอไปกระทบกับอายตนะของบุคคลอื่นที่กขามีตามีหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ดูเข้ามาในใจเขา ก็เท่ากับว่าเราเสียบปลักแห่งอกุศลธรรมไปในใจของเพื่อนมนุษย์มันก็เป็นกระตุ้นในคิดไ้พูดห้ทำอย่างนั้นว น, นๆกันไมโลกก็เดือดร้อนดีจ้ะเพราะนลกยังขาดแคลนความรู้ประสบการณ์ภายในที่ถูกต้องและความเข้าใจชีวิตมาเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายของชีวิต จึงจำเป็นที่ลูกๆทุกคนผู้มีบุญจะต้องฝึกตนให้เขาถึงแสงสว่างภายในซึ่งมีอยู่แล้วเนี่ยให้เขาถึงดวงธรรมภายในถึงพระรัตนตรัยในตัวจึงกระทั่งเรามีความผาสุกเบิกบานสดชื่นตื่นแล้ว เมื่อเราสว่างโลกก็จะได้สว่างตามไปด้วยเพราะเราก็จะขยายความรู้นี้แล ะ, และประสบาการณ์นี้ถ่ายทอดไปยังมวลมนุษยชาติโดยเริ่มต้นจากผู้ที่ใกลชิดก่อนแล้วต่อไปพอเห็นหน้าตาเป็นมนุษย์เราก็จะขยายไปสู่มวลมนุษยชาติการทําอย่างนั้นก็คือการให้ธรรมทานนั่นเอง การให้ความรู้อันบริสุทธิ์ความรู้ที่แท้จริงของชีวิตแก่พืชมนุษย์เป็นการให้ที่สุดยอดเป็นยอดสุดของงานให้ยิ่งกว่าการให้เสืออ้อให้ผ้าให้อาหารซึ่งมันอยู่ไม่นานใช้ไปก็ผพังไปแต่ให้ธรรมทานอยู่นานให้ความรู้นี่มันอยู่นานคําแนะนําที่ดีนี่จะอยู่กับตัวเ้านาน นานข้ามชาติทีเดียวแหละเพราะว่าเขาได้ไปแล้วก็เอาไปใช้ได้ตลอดชาติชาตินี้ชาติหน้าชาติต่ อ, ต อ, ตอกัอนไปมีความสุขไปยาวนอนทีเดียวส่วนเสื้อผ้าอาหารมันแป๊บเดียวกับพังแล้วอาหารพอเข้าไปจากอาหารใหม่ก็เป็นอาหารเก่าเสื้อผ้าใหม่ก็เป็นเสื้อผ้าเก่านี่แหละนะลูกนะจึงจําเป็นที่เราจะต้อง ฝึกใจของเราให้มันยุดให้มันนิ่งๆให้เข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราอย่างถูกหลักวิชาและด้วยกำลังใจสูงส่งจะต้องปฏิบัติให้เข้าถึงให้ได้ด้วยกำลังเรี่ยวแรงแห่งความเพียรของเราความตั้งใจดีของเราตั้งใจจริงของเรากับหลักวิชาที่ถูกต้องเนี่ย เฝึกไปเรอยๆจากมืดก็จะมาสว่างจากนั่งแล้วทึบๆอึดอัดก็จะมาโล่งมาโปร่งมาเบามาสบายมาขยายออกไปเนี่ยอยู่ที่หยุดกันนิ่งอย่างเดียวนะจ๊ะเพราะฉะนั้นหลักของชีวิตที่มีแต่หยุดกันนิ่งเท่านั้นแหละ หยุดกานิ่งแล้วเนี่ยความสว่างมันจึงจะเกิดเป็นแสงแห่งความบริสุทธิ์นมันเกิดถ้าไม่หยุดเนิ่งอะ่ะมันมืดพอมันมืดมก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องราวชีวิตของเราจริงยังเป็นความลับสําหรับเราเราก็เป็นข้อสงสัยทําให้เกิดความคลางแคลงใจในเรื่องการเป็นไวเท็จเกิด ในเรื่องกฎเองกรรมในเรื่องบาป บ, บุญคุณโทษอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะนั้นหยุดนี่แหละสำคัญฝึกเอาไว้นะจ๊ะฝึกเอาไว้ให้ดีเนี่ยวางเบาเบาสบายทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่อลูกทุกคนะเกิดมาเพื่อที่จะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ให้เกิดประโยชน์ต่อโลกไม่ใช่ว่าแกลมัวมาทำมาหากินมีครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานแล้วก็ตายไปไม่ใช่อย่างนั้นนะจ๊ะเรามีเป้าหมายไม่ยิ่งกว น, นั้นคือมาช่วยสถาปนาสิ่งที่ถูกต้องให้มันมันเกิดขึ้นในโลกนี้ก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไป อย่างผู้มีใจชนะไปอย่างผู้ที่มีความปีติเบิกบานและก็ภาคภูมิใจในการที่ได้ใช้ร่างกายนี้เนะี่ยชีวิตนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองเองและต่อชาวโลกเหมือนอ้อยเนะี่ยที่เขาคั้นเนอะความหวานเหลือแต่ชานก็เอาทิ้งไป และก็เอาความหวานเป็นบุญเป็นบารมีของเราติดตัวเราไปในพบบึงนะซึ่งจะเป็นที่พึ่งของเราต่อไปในอนาคตนะจ๊ะ